ณสนามอันกว้างใหญ่หน้าเวียงวังกองทหารม้าของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชตั้งแถวเรียงรายอยู่สพรกพร้อมแล้วอย่างเป็นระเบียบและมีฝ่ายของสแตนลีย์ยืนมาเข้ากลุ่มชุมนุมกันอยู่ในส่วนหน้าขบวนทุกคนดูเหมือนจะรอการมาถึงของคณะคุณชายเชษฐาเมื่อใกล้เข้ามาทุกคนที่เพิ่งจะเข้ามาสมทบ ก็มองเห็นจอมกษัตริย์และราชินีแห่งมรกฎนครประทับอยู่หลังอัสดอสรศึกเขียงคู่กะลาวขุนศึกคู่พระไทยทั้งหลายสงรอยแย้มสวนและโบกพระหัตมาให้อยู่แล้วส่วนพวกของสแตนลีย์ก็พากันโบกมือทักทายให้อยู่เช่นกันทุกคนมีสีหน้ายินแย้มแจ่มใสและสดชื่นแสดงว่าได้มีการพักผ่อนหลับนอนมาอย่างเต็มที่แล้วตัวรพินเองนั้น ยืนม้าสงบอยู่เคียงข้างด็อเตอร์สแตนลีย์และกลุ่มอเมริกันเจ้านายที่มาด้วยกันรอบส่งยิ้มให้แก่ดารินเมื่อเคลื่อนเข้ามาหยุดเผชิญหน้าอยู่เฉพาะพระพัดของจักรราษผู้ฉลองพระองค์อยู่ในชุดออกศึกเชษฐาชยันอนุชาและดารินก็ยกมือขึ้นแตะปีกหมวกวันทยาหัสซึ่งพระองค์ก็ยกพระหัตถ์ขึ้นเหนือระดับองสาเล็กน้อยรับเคารพนั้น พวกข่าพระองค์มาล่าไปหรือเปล่านี่พระเจ้าค่ะเชิดทาทูลถามขึ้นยัก ร, ราชแย้มริมโอดออกไปน้อยๆสง่างามสมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักไม่ได้ล่าช้าไปเลยทางด้านด็ตอร์สตาลีกับคนของพวกเขาก็เพิ่งจะมาถึงก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็รอพวกท่านอยู่เพียงชั่วครู่เดียวเอาละ่ะทุกท่านพร้อมแล้วหรือไม่ถ้าพร้อม เราก็จะเริ่มออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยพวกข้าพระองค์พร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเฉฐาอนุชาและชยันสนองตอบพร้อมกันทันทีเราจะไปกันตามสบายไม่มีอะไรต้องเร่งร้อนและจะไปกันทั้งขบวนจักราราชประกาศกังวาลก้องไปทั่ว จตนาจะให้ได้ยินไปถึงฝ่ายของสแตลลีด้วยทั้งสองฝ่ายของพวกท่านรวมส6คนควรจะเกาะหมู่กันอยู่ใจกลางกองทหารของข้าจะขนาบข้างทำหน้าที่พิทักษ์ให้ความสะดวกปลอดภัยระหว่างการเดินทางอยู่รอบด้านส่วนข้าจะทำหน้าที่นำไปเบื้องหน้าพร้อมกับทหารหนึ่งกองร้อย เราจะไปถึงตำแหน่งเป้าหมายในระยะเวลาอันไม่นานเกินไปนักท่านด็อเตอร์สเตลีและพลาารานใหญ่ระพินฝ่ายของท่านพร้อมแล้วหรือยัง <P> พร้อมแล้วพระเจ้าค่ะสเตลีเป็นคนตะโกนกราบทูลมาเมื่อนั้นจั ก, กรราชกระตุ้นม้าทรงออกเหาะเาะไปเบื้องหน้า พร้อมกับโบกพระหัตเป็นสัญญาณแล้วทหารติดตามเบื้องพระบาทซึ่งนำโดยเมยานีและขุนพลอรชุนก็เคลื่อนออกตามในทันทีระหว่างการเคลื่อนไหวตั้งขบวนนั้นสเตลีโบกมือกับเชิดาเป็นสัญญาณให้ม้าของทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมกลุ่มเป็นฝ่ายเดียวกันทั้งหมดภายใต้การขนาบข้างขอ ง, ของเหล่าทหารม้า ม, มรกรนครทั้งหลาย ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสที่จะทักทายสนทนาปราศัยกันในระหว่างที่กองทัพมาทั้งหมดเหาะช้าๆผ่านจากบริเวณสนามไัยตัดใจกลางเมืองเพื่อบ่ายหน้าออกประตูเมืองซึ่งสองฝากทางเต็มไปด้วยประชาชนที่มารายล้อมอยู่เนืองแน่นอยู่สองฝั่งถนนโหร้องโบกมือและแผรพันต้อนรับอืงนกันหนึง่ง ระพินขี่ม้าเคียงคู่เป็นหน้ากระดานไปกับแถวของสแตลลีคิตเชิดบุตรเฉถาอนุชาและชยันส่วนดารินชักม้าเข้ามาร่วมกับคริสติน่าและเบลเป็นแถวที่สองพวกลูกหาบอยู่ตรงกลางบุญคำเกิดเสยจันขยินหนานอิน คงทำหน้าที่ดูแลท้ายขบวนของลูกหาบทั้งสองฝ่ายอย่างรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วติดตามมาด้วยกองทหารปิดท้ายโอกาสที่ทุกคนของทั้งสองฝ่ายจะพูจาสนทนากันจึงมีอยู่ในระหว่างที่ม้าเหาะเหาะไปตามถนนเท่านั้นเพราะถ้าออกพ้นเขตประตูเมืองไปแล้วเชื่อว่าคงจะวิ่งเร็วขึ้นและโอกาสพูจากันก็คงไม่มี สำหรับดารินนั้นเมื่อลอนแทรกเข้ามาเยาะย่างอยู่กลางของอเมริกันสาวสวยคู่นั้นซ้ายมือของหลอนคืออิซาเบลและด้านขวาคือคริสตินา่าทั้งสามเรียงหน้ากระดานเว้นช่วงห่างกันแค่เอื้อมือถึงตั้งแต่เดินทางเข้ามาร่วมขบวนยังจุดนัดพบทั้งสามยังไม่มีโอกาสได้ทักทายหรือพูดคำใดกันเลยเพราะระยะที่ห่างไกลกันออกไป เพิ่งจะได้โอกาสขี่ม้าใกล้เคียงกันเดี๋ยวนี้เองโดยดารินเป็นฝ่ายตรงเข้ามาหลอนสังเกตเห็นทั้งคริสติน่าและเบลมีเข้าหน้าที่อิ่มเอิบสดชื่นขึ้นแสดงว่าได้พักผ่อนมาแล้วอย่างเต็มที่สำหรับคริสติน่านั้นแม้จะยิ้มอ่อนหวานให้แกลอนแต่ลึกลงไปในดวงตาสีฟ้างามมีแววซึมระคนกังวลลึก เพิ่งจะมาได้สังเกตเห็นชัดในวันนี้อีกครั้งดารินก็บอกกับตนเองว่าคริสตินาน่ะเป็นคนสวยจริงๆสวยคมอย่างลึกลับจนบอกไม่ถูกส่วนเบนก็เป็นอย่างหญิงอเมริกันธรรมดาทั่วๆไปราเริงหัวเราะ ง, ง่ายและไม่ค่อยจะสำรวมนักเป็นไงหลับสบายดีเหรอที่รักดารินเป็นฝ่ายทักทั้งสองขึ้นก่อน โดยรวมๆไปทั้งสองคนคริสต์หันมายิ้มให้แต่ยังไม่ได้ตอบอะไรส่วนเบนหัวเราะเสียงใสหลับเป็นตายทีเดียวแหละน้อยแล้วก็หลับสบายไร้กังวล น, นับตั้งแต่ออกจากจุดเริ่มต้นเดินทางมากว่าฉันจะตื่นก็ปาเข้าไปเกือบสิบนาฬิกาของเช้าวันนี้เธอล่ะเป็นไงมัง่งก็หลับสบายดีละ่ะ แล้วเธอล่ะคริสดารินทอดความเมตตาและความเป็นมิตรสนิทใจไปให้เท่าเท่ากัะลองอ่านใจแม่ผมทองยังคงยิ้มสำรวมอยู่ในอาการเดิมตอบเสียงทุ้มต่ำว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันเมามากไปหน่อยมาสางเมาเอาตอนประมาณตีสามก็เลยตื่นขึ้นมาอาบน้ำเลยอยากระาชทรงประทานเลี้ยงแต่พวกเราทุกคนอย่างอบอุ่น และทรงให้เกียรติกับพวกเราอย่างสูงเราพลอยได้อาศัยบารมีของคณะพวกเธอด้วยละ่ะคำพูดของคริสติน่าเป็นการบอกเล่าแบบธรรมดาเรียบๆก็จริงแต่ดารินขมวดคิ้วนิดหนึง่งอย่างสะดุ้งฉุกคิดเธอบอกว่าเธอตื่นขึ้นมาอาบน้านตอนตีสามเมื่อคืนละ่ะคริสติน่าก้มศีรษะลงนิดหนึง่ง ตื่นขึ้นมาคนเดียวเหรออ응ืคนเดียวนอกนั้นเขาหลับกันหมดแล้วถ้าตื่นขึ้นมาแล้วบริเวณที่เธอที่พักของเธอพอจะสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเงียบเชียบสงบดีมากฉันไม่ทราบว่าในปราสาทหน้าที่พักของเธอเน่ะได้มีการจัดพักนอนกันยังไง ดารินถามเรียบๆต่อไปอย่างอย่างห่างเสียงฉันก็นอนในห้องที่เขาจัดไว้ให้เบลสองคนพวกผู้ชายก็ไปนอนรวมกันอยู่อีกห้องหนึ่งทางปีกขวาเออแล้วรพินกับพวกลูกหาดล่ะพวกนั้นดูเหมือนจะมานอนรวมกันอยู่ในห้องถงกลางทั้งหมดนะครูพรานรพินน่ะความจริงดูเหมือนจะมีห้องพิเศษของเขาโดยเฉพาะล ที่ทางฝ่ายชาวพนักงานจัดไว้ให้แต่เธอก็รู้ดีแล้วนี่ว่าครูรพินนะ่ะเขามักจะชอบนอนรวมกลุ่มอยู่กับลูกหาบของเขาเสมอแหละตั้งแต่ตอยู่กลางป่าละส่วนถ้าเขาจะอยู่ที่หนองน้ําแห้งบ้านเขานะ่ะฉันไม่ทราบนะว่าเวลานอนเขาจะต้องเอาสี่คนนี้มานอนรวมด้วยหรือเปล่าถ้าตื่นขึ้นอาบน้ําแล้วก็ออกมาดูที่ห้องโถงกลาง ที่พอลูกหาบและรพินนอนพักกันอยู่หรือเปล่าละ่ะคริสคริสตินานิ่งไปครู่หนึ่งยิ้มเย็นๆอยู่ในอาการเดิมแล้วจึงตอบมาว่าฉันไม่ชอบเดินออกมาสํารวจตรวจตาใครรอกถ้าแน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็กําลังนอนหลับและเมื่อคืนนี้ก็ไม่ปรากฏว่าครูรพินหรือคนของเราคนไหนเจ็บคข้ได้ป่วยไม่สบาย แต่ถ้าหากใครไม่สบายและฉันรู้ก็คงจะต้องออกมาดูเข้าใจว่าทุกคนจะมีความสุขกันดีก็เลยไม่ได้ออกมาดูแม้จะยิ้มดารินก็เม้มริมฝีปากนิดหนึ่งระพินของหล่อนพูดไว้ไม่ผิดเลยคริสติ น, น่านะทั้งแหลมทั้งคมและลึกซึ้งยิ่งนักเพราะฉะ น, นั้นเธอก็เลยไม่ทราบว่า ทั้งระพินบุญคำเกิดแล้วก็เสยไม่ได้อยู่ตรงที่นอนของเขาขณะที่เธอตื่นขึ้นมาใช่ไหมอืมตลอดทั้งชีวิตของฉันน่ะทุกฝึกมาให้รู้จักกระทุกของผู้อื่นแต่ในเรื่องของความสุขและไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสอดเสือกไม่เข้าเรื่อง ริสเธอนะคมยิ่งกว่ามีดโกนซะอีกนะแม่บริกันผมทองยักไหลนิดนะึ่งแต่มีดโกนก็ยังคมไม่เท่ากับน้ำกรดหรอกอย่า ก, กังวลไปเลยที่รักฉันไม่ใช่มีดโกนหรอกแต่ฉันเป็นน้ำด่างไอ้กรดนั่นต่อให้คมกล้าขนาดไหนก็จะกลายเป็นปกติ เมื่อผสมกับด่างเข้าแล้วฉันก็จะเป็นน้ำด่างตลอดไประหว่างที่ดารินอึ้งงันไปเบนได้ยินเสียงคำพูดตอบโต้เป็นนนๆระหว่างสองสาวซึ่งหล่อนไม่เข้าใจความในนักก็อุทานออกมาว่าเฮ้ยสองนักเคมีฟิสิกส์นี่พูดอะไรกันพูดให้ฉันฟังรู้เรื่องมั่งสิ ระหว่างคริสกาดาลินไม่มีใครสนใจกับคำบวยของเบรราชสกุลสาวชำเลืองหางตาไปที่คริสเห็นตาของหล่อนชายแวบมาสบนิดนึงแล้วเบนหลบไปสีหน้าเรียบเป็นปกตินี่ที่รักฉันจะบอกให้ก็ได้นะที่สุดดาลินก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบของหล่อนเมื่อคืนนี้ ระหว่างที่พวกเธอหลับกันหมดเนะี่ยระพินและพรานทั้งสี่ของเขาได้ลอบไปสนทนากับฝ่ายของชันที่ปราศาสตร์หลังถ้าเธอบอกว่าไม่ทราบก็แปลว่าเธอปดนะ่ะคริสติน่าเลิกคิ้วขึ้นข้างนึงำเลืองแวบมาทางหล่อนอีกครั้งจ้องขม็งฉันไม่ได้ปวดเธอนะน้อยก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อพวกนั้นก็หัวหน้าของเขาจะหายไป แตฉันก็ไม่ได้ออกมาดูรกถ้าครูรพินกับพรานสี่คนของเขาหลอบอาศัยเวลาที่ยังไม่ง่วงไปพบป่ากาหญิงคนที่เขาแสนรักแสนบูชาเพื่อจะสนทนาหาเรืออะไรกับคณะเจ้านายเก่าที่เขาเคารพนับถือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ฉันคิดว่าครูควรจะไปพบพวกเธอเมื่อคืนนี้ภายหลังจากที่เราหลับกันหมดแล้วเพราะถ้าเขาไม่ไปดิ นั่นจะเป็นเรื่องประหลาดใจสำหรับฉันมากกว่าอ้าวนี่รพินก็ไปหาพวกเธอเหรอเมื่อคืนนี้ตอนที่พวกเราหลับเอ๊ะไม่เห็นมีฝ่ายเราคนไหนรู้เลยเบรร้องออกมาอย่างประหลาดใจอีกคริสติน่าบอกมาเสียงต่ำๆว่านี่หุบปากเถอะเบร์เธอก็ชอบทำอะไรเออโวยวายเสมอแหละ ถ้าพวกเธอไม่มีใครรู้หรอกเหรอนอกจากเธอคนเดียวคริสฉันเองก็ไม่รู้แน่นะว่าพวกเขาหนาหายไปไหนกันแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะเราก็อยู่กันในที่ปลอดภัยเพียงพอดีแล้วนี่ถ้าเป็นกลางป่าครูหายไปยังงั้นพร้อมทั้งคนของเขาทั้งหมดสี่คนฉันก็คงจะตกใจมากแหละแต่นี่มันอยู่ภายในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็คิดว่า เขา่าจะมีธุระสำคัญอันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของพวกเราที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแล้วแล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าพวกเขากลับกันไปในตอนไหนภายหลังจากที่อาบน้ำแล้วฉันก็มานอนต่อเพื่อจะเอาแรงไว้สำหรับทำงานในวันนี้ตื่นไม่ทีพวกเราทุกคนก็เห็นว่าทั้งครูแล้วก็พรานสี่คนเขาอยู่กันครบ่ อ, อนอกจากเธอแล้วมีพวกเธอคนไหนรู้บ้างไหมว่าพวกเขาหายไปไหนระหว่างที่พวกเธอพา ก, กันนอนหลับดารินซักไซายต่อเมื่อไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้ฉันก็คิดว่าคงไม่มีใครรู้มะแล้วพวกเราก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงกันในเรื่องนี้เลยนี่แล้วคริสก็หัวเราะออกมาเบาๆเปลี่ยนเรื่องพูดมาว่า ขี่ม้ากเก่งมากนะน้อยฉันเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแล้วก็ม้าศึกของมรกรณนะครนี่ก็น่าขี่นะทุกตัวล้วนฝีเท้าจัดทั้งนั้นนี่ฉันว่าพวกนั้นไม่ยุติธรรมเลยม้าที่คัดเลือกมาให้น้อยขี่นะฝีเท้าจัดดีแต่ม้าของพวกเราเนะี่ยวิ่งไม่ค่อยทันใจนักฉันน่ะเป็นนักขี่ม้า ก, กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางมาก่อนนะฉันรู้ดีอะ่ะ เบนโพร่งออกไปนอกเรื่องนอกราวไปตามเรื่องนี่คริสขอถามตรงๆนะเธอเกลียดฉันบ้างหรือเปล่านี่ในที่สุดดารินกระซิบถามตรงๆคราวนี้คริสติน่าเหลียวมองหน้าหล่อนด้วยสายตาที่ตรงเช่นกันตรงกันข้ามสิ น, น้อย ฉันควรจะถามประโยคนี้กับเธอเสมากกว่าแล้วถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเกลียดพร้อมทั้งคิดระแวงผู้หญิงที่ชื่อคริสติน่ามากที่สุดแต่นี่น้ําใจของเธอประเสริฐมากแล้วก็เป็นนักกีฬาพร้อมฉันชื่นชมเธอมาก่อนที่จะได้พบตัวจริงนะ่ะคุณหญิงดารินวาราริกไร้สาระนะ่าคริสแล้วก็อาจเป็นการพูดเกินเลยไปนหน่อยฉันมีอะไรเธอชื่นชม ในขณะที่เรายังไม่ได้พบเห็นรู้จักหน้ากันละ่ะดารินถามมาเสียงหนักๆมีสิมีมากซะด้วยน้อยก็ครูระพินน่ะแหละทำให้ต้องชื่นชมแล้วก็คาราวะต่อเธอครูเขาแสดงให้ฉันแล้วก็ใครต่อใครในคณะเราเห็นว่าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้วไม่มีใครที่เขาจะเทิดทูนซื่อสัตย์ยิ่งไปกว่าเธออีกแล้วนั่นมันเป็นการพิสูจน์ชัด ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเลิศสำหรับเขาเพียงคนเดียวรวมทั้งฟังอาจากน้ำเสียงของพรานลูกน้องเก่าของเขาด้วยฉันรู้ว่าตัวเองมีความงามที่ไม่ได้น้อยไปกว่าเธอและฉันก็พิสูจน์ให้เขาเห็นหลายครั้งว่าฉันน่ะจริงใจต่อเขาเพียงไหนแต่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใจเขาได้ก็ขอแสดงความยินดีกับเธออีกครั้งน้อยเธอเลือกผู้ชายที่ไม่ผิดคนละ คนคนนี้นะคู่ควรกับเธอที่สุดไม่เพียงแต่พูดคริสติน่าส่งมือมาให้ดาริงจับดาริงจับมือนั้นต่างฝ่ายต่างบีบกระชับแน่นสำหรับฉันก็ขอบใจอีกครั้งนะในทุกสิ่งทุกอย่างในด้านดีงามที่เธอได้กระทำกับเขาถ้าไม่ได้เธอสองคนช่วยกันดูแลเขาบ้างในระหว่างที่เขาเจ็บป่วยทุกพลภาพไปชั่วระยะ ฉันก็อาจจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นเขาอีกแล้วก็ได้เราเข้าใจกันแล้วนะน้อยแล้วก็ขอสัญญาว่าเธอปรดจะได้ถามอะไรฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะตกลงฉันให้สัญญาฮฉันก็รู้สึกโล่งอกหมดกังวลไปเปล่าหนึ่งแล้วเราจะเป็นมิตรดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นวันนี้ วันหน้าหรือไหนวันไหนไหนไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีโอกาสได้พบกันหรือเปล่าก็ขอได้โปรดอย่าได้ระแวงแคลงใจอะไรกันอีกหรือชายที่เธอรักอีกทั้งสิ้นนะเชื่อเธอว่าเขานาเป็นยอดคนอย่างแท้จริงเมื่อคืนนี้ฉันรู้สึกว่าเมามากในงานพระราชทานเลี้ยงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฉันจะทำอะไรที่ไม่สมควรออกไปมั่งหรือเปล่า ประโยคหลังคริสติน่าชวนคุยพลางหัวเราะขันขันคริสเธอก็อาจจะเมาเพราะดื่มจัดแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะกระทำอะไรที่ไม่สมควรนะก็เพียงแค่เดินเซๆไปมั่งนิดหน่อยเท่านั้นเองโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้ทำอะไรให้เป็นที่ขายหน้าออกไปเป็นต้นว่าร้องรำทำเพลงหรือไปเต้นระบำรำฟ้อนอยู่กนางนาฏศิลเหล่านั้น เปล่าหรอกคริสเธอคงไม่ถึงกระไรสติขนาดนั้นหรอกฉันเห็นเธอระมัดระวังตัวทุกการเคลื่อนไหวทีเดียวนี่ขอออกตัวเสีก่อนนะน้อยถ้าหากว่าเธออาจจะสังเกตเห็นฉันพูดอะไรเป็นส่วนตัวสองต่อสองกับครูรพินในมุมที่รับตาตามลำพังนั่นก็แปลว่าฉันพูดสรรเสริญเธอในแง่ที่ชื่นชมประทับใจไม่มีเรื่องอย่างอื่นนะ ฉันเข้าใจดีในเรื่องนั้นแต่เธอก็ดูยังจะไม่หมดกังวล น, นะคริสงานใหญ่สำคัญมันกำลังรอฉันอยู่เบื้องหน้าหน้อยเอาไว้ฉันรู้แน่ซะ ก, ก่อนว่าเปลือกระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นมันไม่แตกร้าแล้วก็ไม่มีกัมมันตภาพรังสรีระเหยออกมาอย่างที่จักรราตรับสั่งฉันจะสบายใจกว่านี้อีกมากเชยนอยมีอะไรอีกเหรอคริส น้อยเธอจะรังเกียจไหมถ้ า, าว่า ง, งานหมดสิ้นลงแล้วและระหว่างที่เรายังพักกันอยู่ในมรกตนคอนนี่ฉันจะไปนอนคุยกับเธอมั่งโอ้ด้วยความยินดีที่สุดเช้ทั้งคริสแล้วก็เบลด้วยเราจะได้ใกล้ชิดรู้จิตรู้ใจกันยิ่งกว่านี้แล้วก็หวังว่าเธอแล้วก็เบลคงจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาเล่าฉันฟังมั่ง ระหว่างที่พวกเธอกำลังเดินป่าลำบากยากแค้นอยู่แน่นอนแล้วก็ขอบใจในมัยตรีจิตน้าใจอันดีงามของเธอด้วยอืมและฉันก็มีอะไรที่จะให้กับเธอด้วยนะคริสเป็นสิ่งที่จะทําให้เธอเซอร์ไพรส์คำสนทนาของสองสาวสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นเมื่อมาที่นำหน้าอยู่ทั้งหมดผ่านพ้นประตูเมือง พร้อมทั้งเริ่มทวีความเร็วขึ้นจนกลายเป็นควบตะบึงเพื่อเร่งเวลาเสียงฝีเท้าม้าเป็นพันตัวดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดพร้อมทั้งผงคลีลอยคลุงเป็นควันประมาณเวลาแห่งการเดินทางของทั้งขบวนไม่เกินชั่วโมงครึง่งกองทัพม้าทั้งหมดซึ่งมีจักรราชและราชินีเมญานีทรงนำหน้าขบวนมาโดยตลอด ก็บรรลุถึงมหาวิหารพระแม่เจ้าอุมาเทวีหรืออีกในหนึ่งสุสานและขุมมหาสมบัติของเทพเจ้าแต่แทนที่จะตัดขึ้นสู่ถนนสายใหญ่อันจะนำเข้าลูกเขาซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิหารกองม้าขาบวนนำหน้าก็นำตัดแยกลงพื้นที่อันมีลักษณะเหมือนท้องทุ่งคนละเมะไม้ซีกทรายมือ นำอ้อมเลาะไปทางด้านหลังของขุนเขาขนาดย่อมลูกนั้นแล้วชั่วอีกไม่นานพอลับเหลี่ยมบังของลูกเขาฝ่ายเชิฐทาและฝ่ายของสเตลีทั้งหมดก็แลไปพบเห็นสิ่งที่ทำให้ตะลึงพรึงเพลิดบนพื้นที่ราบโล่งเตียนมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลลิบลิว่วแทบสุดลูกหูลูกตาหลังภูเขา อันเป็นสถานที่ตั้งของเทวไลแห่งนั้นแม้จะเป็นระยะที่ห่างไกลออกไปทุกคนก็แลไปเห็นซากโลหะเทาปนดำของเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดยักษ์ลาหนึ่งหักเป็นสามท่อนประดิษฐานอยู่ใจกลางที่โลง่งอันแหลลิบลี้ยวออกไปนั้นส่วนหัวของมันปักจมลงไปในดินส่วนหนึ่งไม่ลึกนกะปีขวา ขวางเฉยอยู่ใกล้ๆส่วนลำตัววางราบอยู่กับพื้นความใหญ่โตมโหฬารของมันทำให้มองเห็นได้อย่างทันักแม้ขณะที่กองทัพทั้งหมดโลจากละเมะออกมาจะมีระยะห่างไกลาจากซากเครื่องอับปางไม่ต่ำกว่าสี่หรือห้ากิโลเมตรเบื้องหน้าแสงตะวันอันจรั จ, จ้าของยามบ่ายเล็กน้อยสาดลงมากระทบ ชิ้นส่วนโลหะสีขาวบางส่วนส่องประกายวาวฝ่ายเชษถาอุทานออกมาว่าคุณพระช่วยส่วนฝ่ายอเมริกันทั้งหมดอ้าปากค้างหลุดปากออกมาพร้อมกันว่าโอ้พระเจ้าขาบวนนำหน้าขององค์จักรราชเริ่มชะลอความเร็วลงในทันทีกลายเป็นวิ่งหยอกหยอกและชั่วขณะหนึ่ง ที่กระบวนหมดกำลังบ่ายหน้าตรงเข้าไปยังบริเวณอันราบโลกราวกับใครมาทำเป็นลานบินเอาไว้นั้นจั ก, กรราศก็ชักม้าหวนกลับเข้ามาสมทบกับคณะทั้งสองซึ่งกำลังจ้องมองไปยังภาพนั้นเป็นตาเดียวสงแย้มสวนให้กับฝ่ายมริกันทั้งหมดซึ่งตาลุกโพล่หน้าขาวเผืกันอยู่ในขณะนั้น รับสั่งถามขึ้นด้วยน้ำพระสุรเสียงอันดังว่าสมบัติสำคัญที่พวกท่านใต่ตามกันมาใช่หรือไม่ที่พังพินาศอยู่นั่นระหว่างที่สแตนลีย์และคดอยังตะลึงพูดอะไรไม่ออกอยู่นั้นคริสติน่าก็เป็นฝ่ายกราบทูลขึ้นว่าใช่แล้วเพคะไม่ผิดไปหรอกนั่นคือสิ่งที่พวกเราไต่ตามค้นหามา อย่างแท้จะเอาชีวิตไม่รอดจนกระทั่งมีโอกาสอันประเสริฐสุดได้มาพบกับดินแดนอันเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ของพระองค์มันไม่ได้สูญหายแต่มันมาอับปางอยู่ที่นี่จริงๆโปรดพิเคราะห์ในสภาพการตกอับปางของพวกมันนะแลวพวกท่านจะเห็นว่ามันควรจะระเบิดไฟลุก แต่นี่ปรากฏว่ามันตกลงมาหักเป็นท่อนๆ อ, อยู่เฉยๆเหมือนจะเป็นการกําหนดสั่งของพระพศิวเทพความจริงณวันแรกที่มันหล่นอับปางลงข้าก็คิดว่าน่าจะมีใครในเครื่องพอจะหลงเหลือชีวิตอยู่บ้างแต่ก็ปรากฏว่าน้ําหนักของเครื่องที่หล่นกระแทกลงมาทำให้ทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นที่น่าเสียใจอย่างที่บอกไว้แล้ว ด็อตอร์สแตลลีขยี้ตาอยู่หลายครั้งพร้อมทั้งกระเดือกกลืนน้ำลายฝืดๆลงในลำคอในขณะที่คิดมีสีหน้าเบะเบพืมพรมอะไรอยู่ในลำคอเสียงระพินกล่าวมาอย่างเรียบปกติกับพวกนั้นว่าในที่สุดผมก็ทำงานรับใช้พวกคุณได้ครบถ้วนตามสัญญาเลยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นตำตาอยู่นี่ ถูกต้องถูกต้องระพินคุณได้ทำตามสัญญา ว, ว่าจ้างของพวกเราได้ครบถ้วนแล้วเสียงสแตลลีหลุดปากออกมาแผ่วเบาแล้วจุปากโครงสีสะไปมาซึ่งไม่มีใครรู้ความหมายในอากับกิริยาเช่นนั้นของเขาส่วนฝ่ายของเชีฐยาทั้งหมดยังอยู่ในภาวะที่พุ่พากันจ้องอย่างตะลึงต่อซากเครื่องบินระเบิดยักษ์ลำนั้น แล้วพูดวิจารกันเองอยู่เบาๆเรากำลังจะเข้าไปถึงซากของมันอยู่เดี๋ยวนี้ละพอจะให้เราทราบคร่าวๆได้ไหมว่ามันเป็นเครื่องบีห้าสิบสองแบบไหนเชิดบุ๊ดถามโผลงขึ้นก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องปิดบังต่อไปแล้วล่ะบุ๊ดนายคีดผู้เชี่ยวชาญการบินบอกมาห้าว ยกมือขึ้นป้ายเงือบนหน้าผากที่เกาะพราวอยู่สลับออกไปแต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะว่าพวกเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะักนอกจากพอสังเขปเท่านั้นมันเป็นเครื่องแบบ 52h พิสัยบินก็หนึ่งมืนหนึ่งร้อยสามสิบไมล์ความเร็วสูงสุดก็ห้าร้อยสี่สิบห้านอตเพดานปฏิบัติการน่ะ สี่0มืนเจ็ดพันฟุตบรรทุกระเบิดไทมัตราศึกแบบธรรมดาขนาดใหญ่ยี่สิบเจ็ดลูกระเบิดนิวเคลียร์สี่ลูกจรวดแสแรมยี่สิบนัดติดไปใหญ่กลนยี่สิบมมทัพ a อสจขีดยี่สิบเอ็ดล่อเป้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า ALE ขีดยี L ่ส e ิบสี่พลุสองสว่างหนึ่งร้อยก้าสิบสองทับ a อ e ขีดยี่สิบบินต่ำสุดได้ต่ำกว่าสามร้อยฟุตเพื่อป้องกันเรดาร์ไม่ให้จับได้ขอบใจโว้ยพี่เพิ่งจะมาให้ความจริงอะเดี๋ยวนี้เชิดบุตรนายทหารไทยฝ่ายประสานงานบอกมา ที่สำคัญที่สุดซึ่งเราต้องการรู้ก็คืออาวุธทลายโลกที่ติดอยู่ในเครื่องนั่นที่นายว่ามีอยู่สี่ลูกน่ะหมายถึงลูกละสิบเมกะตันงั้นเหรอข้อนี้ฉันก็ไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันหน่วยเหนือไม่ได้ให้รายงานอะไรกับเรามากนะักเพียงแต่ส่งให้เรามาค้นให้พบไอ้ซากตกแล้วก็รายงานให้เขาทราบเพื่อจะได้นำเอาระเบิดนิวเคลียร์พวกนั้นกลับไปเท่านั้น มันอาจจะลูกละสิเมกะตันหรือสี่ลูกรวมกันละสิบเมกะตันก็ได้โดยแบ่งเฉลี่ยเป็นลูกละสองจุดห้าเมกะตันแล้วเครื่องลานี้เราก็ไม่ทราบว่าบรรจุเขี้ยวเล็บเต็มมัตราสึกหรือว่าเพียงบางส่วนจะบ่ายหน้ามาจากไหนและเพื่อจะไปไหนเราไม่มีหน้าที่จะต้องรู้ก็บอกแล้วว่าไงว่าเรามาตามหาเครื่องตก แล้วก็รายงานให้ศูนย์ควบคุมรู้ตำแหน่งที่แน่นอนเท่านั้นแหละแล้วใจพวกเราหรือกองกำลังฝ่ายเจ้าของแผ่นดินปฏิบัติการในด้านช่วยเหลือสนับสนุนยังไงก็บอกมาเลยเชสถาเป็นคนเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกกับสแตนลีย์ภายหลังจากนิ่งไปอึดใจระหว่างที่ทุกมากำลังเหยาะย่างเข้าไปหัวหน้าชุดของอเมริกันก็บอกมาเสียงต่าๆว่า ก็อย่างที่เราได้ขอร้องไว้ก่อนแล้วนะครับคือขอให้ทุกคนหยุดกันอยู่ในรัศมีหนึ่งไมล์ห่างจากตัวเครื่องและจะมีแต่เพียงพวกผมสี่คนคือตัวผมเองคีตอิสเบรแล้วก็คริสตินามุ่งตรงเข้าไปสำรวจใกล้ชิดในซากเครื่องตกนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้ทางฝ่ายทหารของที่นี่ช่วยก็คือช่วยจัดหาบันไดไม้ไผ่ ยาวประมาณสักสามสิบฟุตนำไปส่งให้แกพวกเราที่ซากเครื่องนั้นด้วยเพื่อจำเป็นที่จะต้องอาศัยาพาดปีนขึ้นไปบนตัวเครื่องพระเจ้ากรุงมรกฎนครทรงม้ารวมกลุ่มอยู่ด้วยและทรงได้ยินก็รับสั่งมาว่าอ่ะตกลงประเดี๋ยวข้าจะให้ทาหารจัด ก, การทำบันไดที่ท่านต้องการให้ตามขอบ่าแต่พวกท่านจะเข้าไปกันตามลาพังแค่สี่คนเท่านั้นเล ข้าพระองค์ขอเสี่ยงกันเพียงเฉพาะสี่คนฝ่ายเราเท่านั้นพระเจ้าค่ะไม่ประสงค์ใจคนอื่นใดพลอยเสี่ยงกับเราด้วยแม้จะเป็นอัตราการเสี่ยงที่น้อยที่สุดเพียงใดก็ตามด็ อ, อร์สเตนลีย์กราบทูลตอบด้วยนะ้ำสีหน้าเคร่งจักราชพยักพระพักพลางสูนเบาๆกสุดแล้วแตทางฝ่ายท่านเถิด ทั้งเราและฝ่ายของท่านเชชฐาคงไม่มีอะไรขัดข้องแล้วนะทั้งด้านพรานพื้นเมืองของระพินและพวกลูกขาบทั้งหลายขณะนี้กําลังพากันเอะอะโวยวายชิโบชิเบไปทางซากเครื่องบินลํานั้นอย่างตื่นเต้นเสียงบุญคําดังกว่าเพื่อนว่าโวยพักพบเข้าจนได้หรือโวยไอตัวมหาการที่ทําให้พวกเราต้องเดินปากันมาแทบล้มประดาตาย มันเคเกเป็นดุนสากะเบื้อหักจะตรงหน้านั่นเองแล้วแกก็เงียบกริบรีบจะคุบ ป, ปากตัวเองหดคอลงเมื่อราพินหันหน้ามาชี้ให้ทุกคนสงบปากเสียงเขาหันไปทางคริสติน่าซึ่งกำลังพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่ลอนถืออยู่ในมือขณะ น, นี้และถามว่าเป็นไงคริสเครื่องเรเดี t ชันเซอร์เวมิเตอร์ของคุณ เริ่มทำงานหรือให้รายการใดๆบ้างแล้วหรือยังแม่ผมทองมีสีหน้ายุ่งแล้วสายหน้าไปมาพูดออกมาเหมือนจะบ่นกับตัวเองไอ้เข็มมิเตอร์มันไม่กระดิกเลยเครื่องไม่ยอมทำงานได้างานผลอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณกำมันตภาพรังสีถ้ามันจะมีระเหยออยกมามั่งหรือไม่ยังไงอะ เราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยเท่าขนาดเครื่องวัดยังทำงานไม่ได้แบบนี้แล้วคุณยังจะคิดดีเล่ะ ว, ว่ามันจะมีกำมันต า, าพรังสีระเหยออกมาเชิดวุธว่าบนหัวรอเหอจักราชทรงควบม้าพละไปสมทบกับกองหน้าและช่วงไม่นานต่อมาขบวนทั้งหมดก็หยุดรอในรัศมีประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษเล็กน้อย กษัตริย์หนุ่มแห่ง ม, มรกฎนครส่งบัญชาการให้กองทัพทั้งหมดหยุดยัง้งพักพลอยู่ตรงบริเวณชายป่าละเมะริมทุ่งกว้างนั่นเองและส่งบัญชาให้เหล่าทหารตัดต้นไผ่มาทำเป็นบันไดชั่วคราวมีขนาดความยาวตามที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์ต้องการทุกคนของฝ่ายอเมริกันและฝ่ายเชษฐาแบบนี้หลงจากหลังม้าและขบวนทั้งหมดก็หยุดพักชั่วคราว อยู่ตรงบริเวณป่าไผ่ภายใต้ร่มแสงตะวันคริสติน่าสแตลลีอิสเบรและคิดจับการสวมเครื่องแต่งกายสำหรับป้องป้องกันกำมันตภาพรังสีโดยทันทีอย่างเร่งด่วนทุกคนปรารถนาที่จะไปสำรวจดูที่ซากเครื่องตกโดยเร็วที่สุดในขณะที่คณะพักทั้งหลายมุงรายล้อมกันอยู่ระหว่างที่ทั้งสี่คนเตรียมเครื่องมือ แม้แต่เชิดวุธก็ไม่รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมสำรวจด้วยแม้เขาจะร้องขอมาหรือพวกนั้นอ้างถึงหลักความปลอดภัยเอาไว้ก่อนเฮ้ยนี่จะบอกให้นะพวกนายก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ระเบิดขนาดสิบเมกะตันถ้าหากว่ามันจะแตกเปลือกระเหยกำมันตราพรังสีรั่วไหลออกมาได้อย่าว่าแต่พวกเราทั้งหมดที่มาหยุดรอกันอยู่แค่นี้เลย บอยไอมารากรณครทั้งแผ่นดินน่ะป่านี้พินาศไปหมดแล้วเชิดวุฒพูดปนหัวเราะขันขันระคนทุเรศแต่ไม่มีใครโต้อตอบกับเขานอกจากเบงคนเดียวที่หันมาพูดอย่างเคร่งขรึมเป็นครั้งแรกว่านี่หุบ ป, ปากสะทีได้ไหมวุฒระหว่างที่พวกนั้นสาละวนอยู่กับการระเตรียมตัวที่จะเข้าไปยังซาคเครื่องที่อับปาง มองเห็นอยู่ไม่ห่างออกไปนะักฝ่ายของเชิดาก็เข้ามารุมล้อมรวมทั้งระพินด้วยและจักรราชกคาราชินีเมยานีก็เหาะมาเข้ามาใกล้ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเครื่องป้องกันกำมันตภาพรังสีอย่างพวกคุณก็ตามระพินเอ่ยขึ้นถ้าผมจะขอนญาตเข้าไปกับพวกคุณด้วยจะได้ไหมเพราะหากเกิดอะไรขึ้นก็ จะได้ช่วยเหลืออีกสักแรงหนึง่งผมว่าดีกว่าที่พวกคุณจะเข้าไปการตำลำพังสี่คนนะเขากล่าวขึ้นอย่างสุภาพและประวารณาตัวที่จะรับใช้เต็มที่คริสติน่าสะบัดเส้นผมแล้วเงยหน้าขึ้นในมือของหล่อนถือหน้ากา ก, ากอันเป็นหมวกสำหรับสวมครอบศีรษะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สวมนี่ระพิน เรารู้แล้วก็เข้าใจนะ่ะว่าทุกคนปรารถนาที่จะช่วยเหลือร่วมมือกับเราทั้งนั้นจะเห็นกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เห็นแก่หล่อนมองไปทางดารินพร้อมกับยิ้มให้เห็นแก่คุณหญิงดารินวราฤทธิ์เคุณโปรดปล่อยพวกเราทำงานกันตามลำพังดีกว่าไอเครื่องวัดกัมันตภาพรังสีนะ่ะมันไม่ทำงานก็จริง แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีส่วนที่ระเหยออกมาหรือไม่แล้วถ้ามันมีระเหยออกมาบ้างแม้จะเพียงเล็กน้อยที่สุดก็ตามผู้ที่เข้าไปใกล้ชิดมันก็จะได้รับผลภัยติดตามมาภายหลังแม้จะไม่ปัจจุบันทันด่วนก็ตามฉันไม่ต้องการให้คุณต้องอายุสั้นกว่าเท่าที่ควรแล้วเครื่องป้องกันกำมันตาพาเราก็มีกันมาเพียงจากัด เพียงแค่สี่ชุดแค่นี้เองถ้าคุณจะเข้าไปพร้อมกับพวกเราด้วยคุณก็ต้องเข้าไปตัวเปล่าๆซึ่งมันเสี่ยงโดยใช่ที่แม้จะเป็นการเสี่ยงที่อาจจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์แต่เราก็ไม่ต้องการให้มีการเสี่ยงสำหรับคุณหรือใครอื่นเลยใช่เธอพูดถูกต้องคริสดาริงกล่าวยิ้มๆแต่หนักแน่นต่อให้เธอหรือดตอร์สแตนลีย์อนุญาต ฉันก็ไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปพร้อมเธอด้วยหรอกเพราะกว่าเขาจะนำพวกเธอมาจนถึงที่นี่จนพบเครื่องและระเบิดสิบเมกะตันนั่นเขาก็เสี่ยงจนสุดชีวิตแล้วแต่ฉันก็ไม่ตำหนิหรอกที่เขาขันอาสาจะไปกับพวกเธอด้วยเพราะนิสัยแท้จริงของเขานะเป็นคนอย่งงางนั้นเองป่าหารศี ส, สลักและไม่ยอมทอดทิ้งผู้ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของเขา มีเสียงหนักๆของใครคนหนึ่งดังมาลอยๆอคนหนึ่งว่าอืมถ้าขืนตามพวกนี้เข้าไปมีหวังถูกเตะผู้พูดไม่ใช่ใครคือคุณชายอนุชานั่นเองทำมรพินยิ้มแห่งแรงแล้วก็เงียบกริบลงไปทันทีนี่แปลว่าพวกคุณจะเข้าไปกันเพียงแค่สี่คนเท่านั้นเองเหรอ เชษฐาถามขึ้นเป็นประโยคสุดท้ายครับเราจะไปกันเฉพาะแค่สี่คนนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลับอะไรที่จะต้องปกปิดกันอีกต่อไปเป็นเหตุผลในด้านปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นเองเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดมีขึ้นได้แล้วเครื่องไม้เครื่องมือชุดที่จะป้องกันมันก็มีกันอยู่เพียงจำกัดแค่สี่ชุดเฉพาะพวกเราที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ในเครื่องอับปางนั่นเท่านั้นระหว่างที่พวกเราเข้าไปที่นั่นขอให้ทุกคนทั้งหมดโปรดรอเราอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเอาละ่ะพวกท่านจะใช้เวลาเข้าไปสำรวจที่เครื่องตกนานๆสักเท่าไหร่ละ่ะจักรราษทรงถามขึ้นอย่างห่วงใยเรื่องนี้เราไม่อาจจะบอกได้พระเจ้าค่ะแต่ก็คงจะไม่นานนะัก จะประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นอย่างช้าเราจะตรวจหลักใหญ่ๆเพียงแค่สองประการเท่านั้นอย่างแรกก็ตรวจดูว่าเปลือกระเบิดมันปริแตกไหมแล้วก็อย่างที่สองจะตรวจดูสาเหตุที่ทำให้เครื่องตกก็ตกลงเป็นอันว่าพวกเราทั้งหมดจะรอคอยพวกท่านอยู่ที่นี่จนกว่าจะกลับออกมานะจักรราชรับสั่ง ก็ลองตรวจวิทยุเครื่องมือของพวกคุณอีกครั้งสิว่ามันพอจะใช้การได้หรือเปล่าเผื่อเราจะติดต่อส่งข่าวกันได้ในระหว่างที่พวกคุณเข้าไปสำรวจที่ตัวเครื่องไงช ย, ยันแนะนำมาอีกคนนึงพันเอกคิดคว้าวิทยุขึ้นมาทดลองแล้วเบ้นหน้าโคลงหัวเฮ้ยมันยังใช้ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแหละคุณชั ย, ยันเอา แล้วถ้างั้นเราจะติดต่อกันได้ยังไงเนี่ยถ้าเปิดเกิดจําเป็นขึ้นมาเราจะใช้กระจกส่องกับแสงตะวันติดต่อกันด้วยรหัสมอสเท่าที่ผมทราบระพินใช้รหัสนี้ได้ก็ดีเหมือนกันชัยยันพยักหน้าไม่เพียงแต่ระพินเท่านั้นผมหรือเชษฐาอนุชาหรือแม้แต่พระเจ้ากรุงมรดกนคร ก็สงอ่านรหัสมอสได้งั้นตกลงเราจะใช้รหัสมอสติดต่อกันก็นแล้วกันในระหว่างที่พวกคุณอยู่ที่นั่นและฝ่ายผมทั้งหมดอยู่ที่นี่ตกลงกตามนี้นะครับตกลงตามนี้ครับโชคดีครับสองร้อยเจ็ดเมื่อเตรียมตัวเสร็จสักทั้งสี่คนก็ขึ้นบนหลังม้าอีกครั้ง บรรทุกเครื่องไม้เครื่องมือจําเป็นบางส่วนไปด้วยในขณะเดียวกันทหารก็นําเอาม้าที่ช่วยบรรทุกบันไดโดยเทีมด้วยม้าสามตัวเข้ามาให้เื่อพวกนั้นทั้งสี่คนจูงไปด้วยก่อนที่ทั้งสี่จะเคลื่อนที่เมยาณีกจักรราชก็ชักม้าเข้ามาใกล้ขอให้ท่านทั้งสี่จงโชคดีในงานนะจักรราชทรงรับสั่งขึ้นด้วยพระสุรเสียงกังวานปราณี ส่วนราชินีเมยานีเอื้อมพระหัตมาแตะแขนคริสติน่าและเบลรับสั่งว่าเธอทั้งสองเป็นสตรีที่กล้าหาญและทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่เสมอด้วยบุรุษเพศขอให้ระมัดระวังตัวและปลอดภัยนะทางเราจะรอรับอยู่ที่นี่และถ้าแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆที่ต้องการกำลังสนับสนุนจากทหารของมรกนครก็ขอให้ส่ขงข่าวบอกมาเราจะส่งคนเข้าไปช่วยทันที พวกเราไม่มีใครกลัวในสิ่งที่พวกเธอกลัวหรอกเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าเพคะทั้งสองพระองค์คริสติน่ากาทูลตอบขณะที่น้อมศีรษะลงถวายคำนับเมยานีแล้วคณะอเมริกันทั้งสี่คนก็กระตุ้นม้าออกวิง่งเหาะเยาะตรงเข้าไปยังซากเครื่องบินตกทันทีโดยมีสแตลีและคิด จูงกำกับมาที่บรรทุกบันไดสำหรับไต่ขึ้นไปด้วยเสียงตะเ่าบุญคำตะโกนแจวไล่หลังมาว่าในห้างในแมมพอเห็นอะไรที่จะหยิบฉวยติดไม้ติดมือมาฝากพวกไอ้คำได้บ้างก็อย่าลืมหยิบติดมือมาด้วยนะพวกไอ้มากันมันรวยมีสมบัติติดตัวกันม ของเชียถาพากันหัวเราะคลื่นขึ้นยังสุดที่จะกลั้นได้แม้กระทั่งดารินซึ่งกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะหน้าแดงกำ่ำปล่อยกึกกึกอยู่ในลำคอรัพินจุกปากเบาๆเดินเข้ามาเงื้อมือขึ้นกะจะตก บ, บ้องหูแกสักชาดนี่แต่พอดีเห็นดารินกำลังมองมาทางบุญคำอยู่พอดีก็เลยหดมือลงสะบดดาอุบอิบอุบอิบไม่รู้จะทะลึ่งไปถึงไหนแต่คำนี่ ทะลึ่งยนวินาทีสุดท้ายทีเดียวบุญคำแยกเขียย้ยิมกระซิบนายก็ไอคำยากได้นาลิกาโลเล็กนี่นะเขาว่าพวกทาหารในกันนะ่ะมันมีใสกันทุกคนนะ่ะจะขอตามเขาไปด้วยมันก็ไม่ให้ไปก็ต้องฟ้าเก็บมาให้ด้วยสิพรานใหญ่ไม่พูดอะไรอีก แอบเวียงลูกปแปรบป้าไปที่ก้นของแกที่นั่งยองยองอยู่กับพื้นโดยที่ดารินก็ไม่ทันเห็นแต่คำล้มแผะร้องจา้าตะโกนฟ้องสุดเสียงนายยิงนายราพินเอาพระบาทมาฟาดพระก้นของไอ้คำพระตะโภครากแล้วเชิดบุตรเชษฐาอนุชาและชัยันและแม้แต่พระเจ้ากรุงมรกรนครปล่อยกากออกมาอย่างสุดกลั้น ดารินหันขวับไปอีกครั้งหนึ่งทำตาเขียวกับระพินซึ่งเดินหนีไปนั่งที่ใต้ซุ้มไผ่คุยกับสุกรีหน้าตาเฉยเมื่อบุคคลสําคัญทั้งสี่ขององค์กรข่าวกลองกลางของสหรัฐเริ่มเคลื่อนที่ตรงเข้าไปยังซากเครื่องบีห้าสิบสองที่กองราวกระตัวตึกถล่มเห็นอยู่เบื้องหน้าโดยเฉพาะแผนหางแนวดิ่งของมันที่ยังตั้งตรงอยู่กลางอากาศ ก็สูงเกือบเท่าตึกห้าชั้นณบัดนี้ฝ่ายที่รอคอยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็อยู่ในภาวะพักผ่อนรอคอยและเฝ้าจับสายตาดูอยู่กล่องสองทางไกลทุกอันของฝ่ายเชิท้าเชิดบุตรและระพินเริ่มทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะมองให้เห็นภาพจากเลนร่นระยะนั้นให้ถนัดตาที่สุดจักรราชและเมยานี ยังมีสีพระพักยิ้มแย้มอย่างพระอารมณ์ดีอยู่เช่นเดิมถอดพระเนตรตามหลังบุคคลทั้งสี่ซึ่งเริ่มจะเคลื่อนไกลคณะออกไปตามลำดับในพื้นที่กว้างรากโลกโดยไม่มีอะไรเป็นมุมพรางบางตาแล้วเสด็จลงจากอัศดรศึกที่ประทับอยู่ช้าๆเมื่อเหล่าทหารนำเอาหนังเสือขนาดใหญ่สองผืนอันมีสภาพเหมือนพรมมาปูลาดไว้กับพื้นเบื้องหน้า เหมือนจะให้เป็นที่ประทับชั่วคราวส่วนพื้นที่รองนั่งอันเป็นอุปกรณ์กลางศึกสำหรับฝ่ายอาคันตุกะต่างแดนทั้งหมดเป็นหนังขนาดใหญ่ของวัวซึ่งนามาต่อกันหลายผืนมีปริมาณกว้างใหญ่พอที่จะให้คณะทั้งหมดลงนั่งกันได้เราทหารทั้งกองพันก็แยกย้ายกระจายกันอยู่เป็นหมวดหมู่กลุ่มกองรอพร้อมที่จะรับฟังพระบัญชาประกาศสิกต่อไป ว่าจะให้ปฏิบัติการเช่นไรสมเด็จพระเจ้ากรุงมรดกนครบกรหัสตรัสเชื้อเชิญให้บรรดาอาคัรตุกะอันเป็นพระสหายสนิททั้งหลายรวมทั้งพวกครานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหมดชุดกายลงนั่งข้ากะว่าเขาเหล่านั้นคงจะใช้เวลาสำรวจเครื่องและอุปกรณ์ตลอดจนข้อมูลต่างๆไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงและพวกเราก็ต้องมารอคอยกันอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนั่งพักกันตามอัธยาศัยและเดี๋ยวเราจะมีเลี้ยงอาหารว่างกันด้วยถ้าใครหิวราชินีเมยานีของข้านารอบคอบมากในเรื่องนี้แต่บางเอิมว่าไม่ได้สั่งมาจากโรงแรมหรือห้องอาหารที่ไหนหรอกนะแต่จระเตรียมมาจากแผนกผู้ชนาการของราชฐานมนรกฎนครครั้งแรกข้ามีความคิดที่จะสั่งจากโรงเรียมโรงแรมโอเรียนเตอร์แต่เมยานีน่ะเขาแย้งว่าทางโรงแรมคงจะส่งมาให้เราไม่ทันแน่และ่ะ ระหว่างที่ทุกคนหัวเราะคลื่นเครงดารินก็เอียงหน้าเข้าไปใกล้ทรงมีพระอารมณ์ขันประชดประชันและร่าเริงอยู่เหมือนเดิมน่นไปคะแต่คราวนี้พวกเราแทนที่จะเห็นพรานระพิงแยกเขี่ยวกลับเห็นก็หัวเราะซึ่งมันก็ผิดแปลกไปกว่าทุกครั้งนั่นสิพี่สาวไม่ว่าจะเป็นจักรราชหรือแงซายเดี๋ยวนี้คงไม่อาจจะยั่วแย่เขามีอารมณ์บูดขึ้นมาได้ซะแล้วละ่ะน่าเสียดายนะ ระพินไทยวันจะเป็นระพินไทยวันได้ก็ต้องหน้า น, นิ้วคิ้วขมวดยับยู่ยี่เครียดเคร่งอยู่ตลอดเวลานี่ผมรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะที่ตลกเกอผู้ที่ถูกกล่าวถึงวิพากวิจารณ์หรือนินทาอยู่ในขณะนี้ไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ่งนอกจากใช้กล้องสองทางไกลประจําตัวปรับเลนขยายลำหน้าเกินระยะกว่าที่ทั้งสี่คนกําลังหยอกมาเข้าไป เพื่อตรวจดูยังลำอัดบางมะฮือมาของเครื่องทิ้งระเบิดยักษ์นั้นด้วยอาการพินิจเขาเห็นส่วนหัวของมันที่ปักลงไปในพื้นดินซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างแข็งนอกจากจะจมลงไปบางส่วนแล้วก็มีส่วนที่ย่นยู่ขึ้นมาสังเกตเห็นอักษรตัวใหญ่ๆที่พอจะอ่านได้ในตอนท้ายคำว่า U.S เท่านั้นซึ่งคาเต็มของมันคงจะมาจากคาว่า U.S เอรฟอรสข้อความข้างหน้าหายไปหมดเชิฐาอนุชาชายันพากันซุดกายลงนั่งสองกล้องมองดูเหมือนกันแล้ววิาพากวิจารกันอยู่เบาๆในลักษณะคุยกันเองดารินนั้นถูกราชินีเมญานีจูงมือให้มานั่งเคียงข้างอยู่ด้วยส่วนระพินกระเชิดบุตรยืนสองกล้องคู่กันอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนักโดยเฉพาะพันธร์เชิดบุตร ดูจะให้การสนใจอย่างมากเป็นพิเศษต่อเครื่องที่อักางลำนั้นเฮ้อไอ้เวนลำนี้แท้ๆที่ทำให้เราทั้งหมดตายแล้วเกิดใหม่กันอยู่หลายครั้งไม่นึกว่าจะตามมาพบจนได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกนี่มีอยู่จริงแน่นอนเนพ่พี่คุณบูทคุณพิสูจน์ได้โดยตนเองก่อนที่จะมาพบแผ่นดินนี้และเครื่องลำนี้ตกแล้วนี่ครับ ระพินบอกมาเบาๆเชิดบุษยักไหลแล้วก็พูดขึ้นมาหน้าตาเฉยภาวนาว่าพอพวกนั้นไปถึงและกำลังอยู่ในเครื่องขอให้ระเบิดธรรมดาลูกใดลูกหนะึ่งมันระเบิดตูมขึ้นมาสักลูกเถอะจะได้ไตหงได้หากันหมดทั้งสี่คนอ้าวอ้าวไหนแช่งอย่างนั้นล่ะครับคุณบุษยพรานใหญ่พูดยิ้มยิ้มแต่ตายัางไม่ละจากกล้อง แต่ลีคิดหรือเบนอะถึงจะแหลกละเอียดไปกระเบิดหรือเครื่องก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งสำหรับคุณวุฒิแล้วคริสติน่าล่ะครับคุณไม่ห่วงรอนเหรอเลิกห่วงเลิอกอย่ายืนสักทียอะเสียงเชิดวุฒิพึมพำออกเบาที่สุดอย่างน้อยใจทำไมเหรอเนี่พี่พี่รู้ไหมเมื่อคืนที่แล้วอะ ไอ้ตอนเลี้ยงงานอุทยานสโมสรน่ะพี่พี่กผมประคองคริสก็มาร่วมกับพวกเราทั้งหมดผมขอแต่งงานกับหล่อนโดยบอกตรงๆเลยพี่จราบไหมว่าเจ้าหล่อนตอบผมว่ายังไงก็คงไม่ถึงกับด่าหรือสแสดงอาการอะไรที่ไม่สมควรกับคุณหอกมั้งถพูพี่ถ้าสแสดงอย่างนั้นก็ยังดีอะ่ะแปลว่ายังมีความหวังอยู่มั้งแต่นี่หล่อนบอกผม บอกเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะเลยว่าทารอตายกลับไปได้คราวเนี้หล่อนจะขออุทิศตัวเองให้กับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการไถ่าบาปแล้วอืม mm hmm. ใช่พี่จริงจริหล่อนบอกกับผมอย่างนั้นเน่ยเป็นคำพูดที่จริงจังหนักแน่นที่สุดหล่อนบอกว่าจะบวชแล้วก็บวชเป็นชีมืดด้วยรพินไพร์วันอึง้งตะลึงไปชั่วขณะ แต่ก็ชั่วอึดใจเดียวเขาก็ได้พูดเรียบๆกับเชิดบุตรวา่าขอขอบคุณต่อเทพเจ้าและพระเจ้าของหล่อนที่ชี้ทางที่ถูกที่สุดให้กับหล่อนนะคริสณาสมควรอย่างยิ่งอ่ะคุณที่จะต้องสละชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของหล่อนให้แก่พระผู้เป็นเจ้าเพราะอาดีตของเจ้าหล่อนนะ่ะบาปหนามามากละหล่อนสวยมากก็จริงแต่คุณก็รู้ ว่าอดีตของหล่อนคือฆาตกรมือเที้ยมที่สุดผมน่อยากจะเตือนคุณหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่กล้าคุณบุทิจงคิดซะว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วสำหรับคุณและหล่อนถ้าหากว่าจะเคยมีต่อกันมั่งอย่างเช่นตอนที่ไปหลงติดใต้ถ้าหินถล่มด้วยกันเป็นเพียงแค่ความฝันเชืก็แล้วกันคุณนะ่ะมีชาติมีสกุลมีฐานะทางสังคมที่ดีมาก สมควรอย่างยิ่งที่จะได้กลับไปถึงบ้านแล้วก็แต่งงานกับกุลสตรีไทยของเราสักคนยังมีผู้หญิงไทยให้คุณเลือกอีกมากมายและพร้อมว่าสวยกว่าคริสก็ยังมีนะคุณเชิดวุดคอตกซึมไปชั่วขนาดจิกแต่แล้วก็ยืดกายเต็มส่วนสัตว์อันสูงสง่านั้นครับพี่ผมยังไม่อกหักสำหรับผู้หญิงคนนี้คำเตือนของพี่มีประโยชน์ต่อผมมากทีเดียว ต่อไปผมจะคบกับหล่อนอย่างเพื่อนเท่านั้นถูกต้องคุณวุฒิมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปจริงจังอะไรนักเลยคุณเพราะสัมพันธภาพระหว่างคุณกับคริสยังไม่มีอะไรลึกซึ้งจริงจังนะักเพียงแค่คุณชอบหล่อนข้างเดียวเท่านั้นโดยที่ชอบก็เพราะรูปโฉมอันเป็นสิ่งแรกที่มันลอตาลึกตรงไปกว่านั้นคุณยังไม่รู้จักหล่อนดีเท่าที่ควร ผู้หญิงคนนี้นะ่ะจะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนได้แต่จะเป็นเมียใครไม่ได้เลยเพราะบทอารมณ์แม่จะผันผวนขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อให้ผัวหล่อนก็ฆ่าได้นะคุณจอมพรานพูดช้าๆออกมาจากส่วนลึกจริงใจของเขาพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ตามสบายเลยน้องชาย แล้วทำไมหล่อนถึงชอบพี่อะพี่อย่าเรียกว่าชอบเลยเรียกว่ารักกันแล้วกันผมน่ะสังเกตอยู่ตลอดเวลานะพี่อีกฝ่ายหัวเราะเยือกเย็นคุณพุธมันเป็นอารมณ์ที่เกิดความทึ่งความพอใจที่เกิดขึ้นชั่วขณะระหว่างที่ยังเดินป่าอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละครับไอตัวผมเองยังไม่เชื่อเลยว่าคริสจะรักผม ในป่านะ่ะหล่อนอาจจะเห็นผมเป็นเทพผบุตรแต่ในเมืองแล้วหล่อนอาจจะเห็นผมเป็นแค่ไอ้ชาวโดงคนหนึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรกับพวกผิวดำในแอฟริกาใต้คุณแต่แต่พี่หญิงดารินไม่ได้มองพี่ในลักษณะเช่นนั้นไม่ใช่เหรอครับระพินสันศีรษะช้าช้าคุณบุตรครับระหว่างผมกับคุณหญิงดารินน่ะ เราพิสูจน์กันมามากเกินพอแล้วล่ะครับเชิดพุดเม้มริมฝีปากแล้วพยักหน้าช้าๆพี่ครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยนะครับขอบคุณคุณพุดแล้วก็หวังว่าคุณคงจะทำใจได้นะครับแน่นอนครับผมทำใจได้เสมอแหละโดยเฉพาะเมื่อมีพี่มาให้คำตักเตือนกับผมอย่างนี้ เสียงของพี่จะแววอยู่ในหูผมตลอดเวลาครับพี่ขณะนั้นมีเสียงตบมือเบาๆดังมาจากเบื้องหลังทั้งสองหันขวับไปก็เห็นราชินีเมยานีผู้ประทับเคียงข้างจักรราชและดารินส่งแย้มสวนมาพร้อมกับกวักระหัสเรียกมายังเชิดบุตรประพิงยังไม่แน่ใจนะัก ทำหน้าตื่นชี้ที่อกตัวเองแต่เมยานีสั่นเสียน ร, รับสั่งมาว่าไม่ใช่ท่านพรานรพินหรอกแต่เป็นน้องชายคนนั้นแหละผู้พันเชิดวุธเชิญทางนี้หน่อยค่ะเชิดบุตรมีสีหน้าแสดงอาการประหลาดใจขณะนี้เขาเห็นทั้งจักรราษารินและเมยานีมองพร้อมกับอาการยิ้มเมตตามาเป็นจุดเดียวกันที่เขา จึงโยนกล้องสองทางไกลในมือของตนไปให้พวกลูกหาบชุดของนายตาบแล้วเดินเข้าไปใกล้พอถึงก็สุดตัวคุกเข่าลงและนั่งพับเพียบอยู่เฉพาะพระพัดอ้านั่งตามสบายเถอะน้องชายอดีตแม่เสือดาวแห่งกองทัพประชาชนยุคสมัยทรราชครองแผ่นดินรับสั่งมาปนแย้มสวนน้อยน้อยและอย่างเป็นกันเองถือสนิทที่สุด เธอเป็นนายทหารติดต่อฝ่ายไทยและมาร่วมคณะกับคนผิวขาวสี่คนนั่นด้วยไม่ใช่เหรอใช่พระเจ้าค่ะและระหว่างที่พวกเขาทั้งสี่คนตรงเข้าไปสํารวจยังตําแหน่งยานตกเธอก็คงคิดอยากที่จะติดตามเข้าไปด้วยใช่ไหมเชืิอบุตรฝืนยิ้มข้าพระบาทแม้จะมากับฝ่ายเขาก็เป็นคนไทยไม่ใช่พวกเขาโดยตรง ทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายเขาเป็นความลับไปหมดเขาไม่ต้องการให้ขาพระบาทร่วมทางเข้าไปเห็นเหตุหการณ์ใกล้ชิดด้วยอย่าว่าแต่ข้าพระบาทเลยแม้แต่พรานใหญ่ระพินอันเป็นที่รักใคร่นับถือที่สุดของพวกเขาเขาก็ยังไม่ยอมที่จะให้เข้าไปด้วยเลยอืมถ้าจะพูดถึงแง่อันตรายดังที่พวกเขาอ้างละ่ะเมยานีตรัปลยิม มันจะไม่มีอันตรายใดๆที่น่ากลัวเหลืออยู่อีกเลยแม้แต่น้อยนิดถ้าเธออยากจะตามเข้าไปด้วยก็จงขี่มาตามหลังเขาเข้าไปเถอะไม่จำเป็นจะต้องแต่งกายให้ดูตลกรุงรังเหมือนพวกเขาหรอกไปด้วยชุดเครื่องแต่งกายธรรมดาของเธอในขณะนี้แหละพี่สังเกตเห็นเธอมีอาการร้อนรุ่มกระวนกระวายที่จะเข้าไปให้ได้ต่างก่าพรานระพินและพวกเราทุกคนที่ไม่สนใจในเรื่องนี้ รับสั่งนั้นเป็นกันเองและปราณีนะเชิดพุทธก้มกายลงถวายคำนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแต่บัดนี้ข้าพระบาทเปลี่ยนใจแล้วไม่ได้คิดอยากจะเข้าไปดูที่ซากเครื่องตกนั่นอีกเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาตามลำพังจะเหมาะกว่าเพียค่ะเมยานีไม่รับสั่งเช่นไรอีกนอกจากจะสวนเบา น้องชายสิ่งใดก็ตามที่พรานใหญ่รพินได้กล่าวตักเตือนเธอไว้เมื่อสักครู่นี้จงถือปฏิบัติตามเขาเถิดนอกจากฝีมือในเชิงพรานแล้วแท้จริงเขาเป็นนักตรกศาสตร์และเป็นนักจิตวิทยาชั้นเยี่ยมสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนครรับสั่งเนิบช้ามาอย่างปราณีทำเอาเชิดวุฒิสดุได ใฝาละองทุลีพระบาทนี่นี่ทรงทราบทรงได้ยินหมดหรือพระเจ้าค่ะพี่ไม่มีเครื่องมือจารกรรมในการดักฟังอย่างพวกที่เจริญด้วยวัตถุหรอกนะแต่พี่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นหมื่นเท่าในเซนที่บรรจุอยู่ที่นี่จักรราษทรงชี้ไปที่พระเศียรของพระองค์เองขณะที่รับสั่งและได้ใช้วาจาเมื่ออยู่กันโดยเฉพาะ อย่างชนิดให้ความเมตตาเป็นกันเองสูงสุดไม่ผิดกับราชินีเมยานีน้องชายพระองค์เป็นผู้มีทิพยเยนเน่ทิพยาโสตและทิพยพยาชาญเมยานีกล่าวเสริมขึ้นมาสวรรค์เบื้องบนและพระมหาเทพเป็นผู้ประธานให้แก่พี่มาเมื่อพี่ได้บำเพ็ญศีลภาวนามาจนถึงระดับหนึ่ง อย่าว่าแต่พี่เลยเพียงแค่โยกคยีตามเทือกคิมาไลก็ยังพอจะมีสิ่งนี้ได้จักรราชรับสั่งอย่างปราณีข้ขขขาพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระบรมราชานุญาตกราบทูลถามอะไรสักอย่างได้ไหมพระเจ้าคะ่ะเชิดบุษถามขึ้นได้สิพี่จะตอบเท่าที่พี่จะตอบได้น้องชาย เออทราบว่าคริสติน่าขอฝากตัวเป็นสานุรสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์ก็เอ่ยโอดประทานอนุญาตแล้วหล่อนจะศึกษาร่ำเรียนไปได้หรือไม่และอนาคตเบื้องหน้าของหล่อนจะเป็นยังไงพระเจ้าคะ่ะ <c oughs> น้องชายคริสติน่ากรูบิยหริไลล า, ลาอาริเตตกําลังจะพ้นเคราะห์กรรมในอดีตที่หล่อนได้กระทามาแล้ว พระผู้เป็นเจ้ากําลังต้องการตัวหล่อนพี่จะเป็นได้เพียงผู้ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นแหละผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดมากและถึงเวลาที่จะพ้นเคราะห์กรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่ยังพักอยู่ในมรกรณครแห่งนี้ถ้าหล่อนตั้งใจจริงหล่อนจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือสัจธรรมซึ่งต่อไป หล่อนจะสามารถนำไปประยุกได้กับศาสนาของหล่อนเองรับสั่งเนิบช้าเต็มไปด้วยอำนาจล้นเหลือกอบไปด้วยความการุนนั้นทำให้เชิดวุ้ยนั่งนิ่งขึงไปดารินเอื้อมือมาแตะไหลน้องชายกลับบ้านเรานะและไปแต่งงานร่วมชีวิตกับผู้หญิงไทยอย่าเห็นฝรั่งมังค่าดีไปกว่าชาติเชื้อเดีวกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้หญิงต่างชาติคนนั้นมีหนทางที่จะไปได้ดีกว่าในทางบุญกุศลครับพี่หญิงเป็นความการุณาของพี่หญิงและของพี่ๆอีกสองท่านเหลือเกินถ้าหากท่านทั้งสองจะยอมรับผมเป็นน้องชายในภาวะอันเป็นส่วนตัวเช่นนี้ครับกล่าวพรางเชิดบุตรก็ก้มลงกราบจักรราชเมยานีและดารินคนละครั้ง ขอความสวัสดีจงมีต่อพันรีเชิดพุตรไกรรณยุทธสิทธิ์ของระพินไพรวันนั่นคือคําประธานพรจากสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนคร